เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามวันที่ส1บอดถึง22บสองความพยายามหวานล้อมหนุ่มสาวมีความสุขกันอย่างไรฉันกับแฟนก็ดำเนินไปตามคันลองนั้นไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงช้อปปิง้งและมีกันและกันช่างหน้าอบอุ่นใจทุกอย่างดูดีไปหมดเห็นด้วยไปหมดหัวเราะประสานเป็นทำนองเดียวกันไปหมดคบแฟนได้ห้าวัน สติฉันค่อยๆกลับมาและทบทวนว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อกลับเข้าเส้นทางสว่างสายเดิมโดยไม่ต้องทอดทิ้งเธอฉันค่อยๆหยอดทีละนิดทีละหน่อยเริ่มจากเล่าว่าหลังเลิกกับเธอฉันมีที่พึ่งทางใจเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกว่าฉันไม่เคยโกรธเธอรวมทั้งเข้าใจเธอดีทุกอย่าง